ฟังธรรมกันนะการฟังธรรมก็คือการฟังเรื่องของตัวเราเี่การปฏิบัติธรรมก็คือการเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีที่เหมือนเกิดขึ้นกับโลกตัวเรานี่เรามีกายไม่ใจ ปัญหาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจนี่การแจ้ความร้ายเป็นความดีเป็นหน้าที่ของตัวเราหรือว่าปฏิบัติไม่เกี่ยวกับปีิน้กายใ ด, ยดยเพศวัยหรือว่านีกายมีใจทั้งนั้นกดในโลกนี้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจอันเป็นการปฏิบัติเปลี่ยนได้เปี่ยนให้เป็นถูกต้องมันไม่ถูกต้องเปลี่ยนเป็ความถูกต้องได้ความผิดเกิดขึ้นในกายที่ใจเป็นปัญหาต่อกายต่อใจแล้วยังเป็นปัญหาต่อคนอื่นจริงหรือวัตถุอื่นทุกคนต้องแก้ไขาอาใัตัวบทกฎหมายไม่ได้ วิธีปฏิบัติธรรมมันเป็นวิทยาศาสตร์รู้ได้เห็นได้ปฏิบัติได้มีสติคือทำประกอบขึ้นมาได้ทําให้มีขึ้นมาได้สรุปลูกจึกตัว เาใช่เรียนรู้ต้องประกอบขึ้นปก ต, ติมันจะไม่ต้องประกอบขึ้นมามาใช่ประท่องจำการท่องจำได้ความรู้เราเรียนรู้จากความจาความรู้ที่เกิดจากความจำมาใช่ความรู้ที่เกิดจากการพบเห็น ควารู้ที่เป็นเกิดจากการจำยังแก้ไม่ได้อะไรผิดอะไรถูกเราลู่หวงโกรธไม่ถูกต้องเราลู่ว่ามันไม่ดีเราก็ยังพากันโกรธอยู่ใครก็รู้ว่าไม่ดีควงทุกข์ก็ไม่ดีไม่มีใครชอบแต่เราก็ยังทุกข์อยู่ทั้งที่รู้ว่าไม่ดี พอจะนันคกองรูปมันยังช่วยไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติมีสติดูแลกายใจให้มันดีสติเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของจิตใจให้กายไปจุมเอาสติให้ใจไปจุมเอาสติให้รู้สึกตัวเป็นปรปจำต้องหัดทำ ทำไมทำมันไม่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจะกรรมคือการกระทาอย่างที่เราสอนที่ย่อยพิสูตรกรรมเป็นของของตนอรยานังวาปาปการังวาคนที่ทำดีก็ได้ถูกได้มีผลดีคนที่ทำชั่วก็มีผลชั่ว ชอบย่อจำแนกสัดใครเคยมีความหลงก็มีความหลงเรื่อยไปไม่เคยเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ก็ยังมีความโกรธเป็นความโกรธก็ยังมีความโกรธเลยไปเพราะไม่เปลี่ยนความโกรธเป็นความรู้ใครมีความทุกข์ก็ยังมีทุกข์เอยไปไม่เคยเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้ ไม่เปลี่ยนสักทีหลงที่ใดก็เป็นหลงโกรธที่ใดก็เป็นโกรธทุกที่ใดก็เป็นทุกแล้วก็ยังติดแล้วจะไปติดที่กายที่ใจเพราะใช่กายใช่ใจไม่เป็นใชกายผิดใช่ใจผิดบางทีไปให้ความสําคัญมั่นหมายสําคัญว่าเป็นตัวเป็นตน ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่มาย่อมจิตว่าเป็นจิตไปเลยก็มีเช่นบางคนเกิดความโกรธยึดถือความโกรธว่าเป็นตัวเป็นตนถ้ากูได้โกรธ ต, ตายไม่ลืมต้องถามตามความโกรธก็ทำให้เดือดร้อนตัวเองและคนอื่น <c oughs> <c oughs> าไม่เคยเปลี่ยนความโกรธ หลอกใช้ความโกรธหลอกใช้ความทุกข์ลอกใช้ความหลงถ้าเวลาไร้ทุกข์ก็น่าตาล่วงหน้าบูดหน้าเบึง้งแสดงออกไม่รู้จักอายอ้าวกูดได้โกรธเนี่ยกูออกูเป็นตัวกูไปถ้า ไ, ไม่ใช่ตัวใช่ตน พวกโกรธเกิด ท, ที่ใจเวดาการที่มันจรมาเพราะเราไม่มีส ต, ติใช่จิตใช่ใจไม่เป็นไม่รักษาไม่มีสติเป็นเจ้าของเมื่อไม่มีสติเป็นเจ้าของกายก็เถื่อนใจก็เถื่อนใครจะหิว้วหอบิ้วไปไหนก็ได้ แต่เป็นจิตก็เป็นโสมบนิจิตสมโซนใช้ได้ทุกอย่างคิดได้ทุกอย่างไม่รู้จกสมรวมไม่มีสติปล่อยเปลี่ยนแปลงแค่ไขไม่เคยปฏิบัติไม่เคยดูลแลแล้วก็ติดอะไรไปเยอะแยะไปเลยแต่ก่อนนี้จิตบริสุทธิ์หมดจดเจาะเครื่องสมอง เหมือนผ้าขาวสะอาดแต่เมื่อใช่ไม่เป็นมันก็เปิดเื่อนได้แต่ความจกปกไม่ใช่ผ้าผ้ามันไม่จกปกความจกปกมันเป็นสิ่งที่โพนมาต่างหากซักออกได้กันใดก็ดีจิต ใ, ใจเราก็ดีปฏิบัติตามก็คือขูดเก่าผัดออก เช่นเวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงนั่นหรือว่ารักษาตายรักษาใจเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงให้รู้จักตัวว่าถูกสักพอกแล้วมาจิตทัดกายแล้วงานมาล่าเป็นดีเมื่าที่ใดหลงที่ใดเป็นรู้ ด้ความรู้จากความหลงเท่ๆด้อยปัญหาจากด้ปัญญาจากปัญหาที่มันเกิดกับกายกับใจนี้มีปัญญาเพราะมีปัญหาจึงมีปัญญาปัญญาเกิดแบบไม่รู้ว่าปัญญาพุทธเป็นวิาาทยาศาสตร์ต้นหนึ่งความหลงไม่จริงความไม่หลงจริง ตัดินใจได้ถูกต้องความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เหมือนจริงกว่าความโกรธไม่จริงความไม่โกรธเหมืนจริงกว่ า, วา ม, มีามมมามเปยนคำตอบเอาเองถ้าเราได้เห็นพบเห็นไม่ใช่เรียนรู้ไปเจอเอามีสติอยู่เป็นเกณฑ์วัดเหมือนเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจโลก แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ตัวเห็นเชื่อโลกก็ต้องมีกรรมวิธีรักษาอาศัยวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สบุคคลที่หนึ่งที่สองที่สเช่นพวกท่านเป็นปัญญาชนเรียนรู้ในวิชานี้เป็นเรียกว่าเจ้าหน้าที่สานสุขสามารถรักษาโรคได้เพราะมีความรู้ต้องประกอบไปด้วยหลยอย่าง เล่นหลงตาก็เป็นโรคมะเร็งตมน้ำเหลืองก้อนเนื้อโตเร็วในลำคอในตับเยือนตายบายหมอจอดก้อนเนื้อในคอไปพิาาสูจน์วิธีอัดบอกว่าก้อนเนื้อแบบนี้เป็นก้อนเดือมะเร็งตมนมเหลืองโตเร็วตอนคอหายใจไม่ได้ แล้วก็มีความรู้เรื่องยุกเรื่องหยอมีหมอที่มีความรู้โทรมาแฝกมาจากสหรัฐโดยไปอยู่ที่นั่นไปสอนธรรมที่นั่นราะว่าที่ทราบว่าหลวงพ่อเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งก็เนื้อโตเร็วในลำคอลอกษสียได้ ให้เมูตัวใหมเข้าไปเลยนักษาได้พระบิดาปฏิเสธวิธีการรักษาอื่นเลยทั้งสิ้นให้เจมูหลวงพ่อโดยด่วนจะได้หายใจได้ได้ยินเขาอ่านให้ฟังได้เยินนายแพทย์อ่านให้ฟังหมอลรงไปบานจุลาก็พร้อมอยู่แล้วให้เจมูลงไปเลยนักษาได้ยังไม่ตายเท่าทุกวันนี้ น, นั่นคือเอาใช้วัตถุที่หนึ่งที่สองมีความรู้ถ้าใครไม่มีความรู้ก็เลิกสอไม่ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเหล่านี้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เรามีสตินี่จ น, นเป็นไปเพื่อความดับทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพานนี่มันเป็นความรู้ที่เป็นพุทธะขอมโกรธเปลี่ยนไม่โกรธเปลี่ยนเราเอง ไม่มีอาศัยใครที่มาเปลี่ยนเลยหลงเองต้องรู้เองทุกข์เองต้องไม่ทุกข์เองรู้จักตัวเองโกรธเองต้องรู้จักตัวเองจึงจะได้จึงจดแจ้ไขได้ตรงกันข้ามเมื่อมีความหลงก็มีความไม่หลงอยู่ในข่าวเดียวกันนั่นเมื่อมีความโกรธก็มีความไม่โกรธอยู่ในข่าวเดียวกันนั่น เมื่อมีควาทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นความไม่ทุกอยู่ในคราวเดียวกันนั่ น, น, นไม่ต้องไปด่ากันมันต้องแบปฆ่ากันเปลี่ยนว่าเอาเปลี่ยนเอาแก้ เ, เอาโ <c oughs> ดยใครก็รักษาอย่างนี้ก็จะไม่มีปัญหาวในโลกคนไทย65ล้านคนทุกคนดูแลตัวเองให้ดี ก็จะสงบเป็นปกติเป็นสันติสุเกิดขึ้นได้เพราะปฏิบัติวิธีปฏิบัติก็ไม่อยู่เป็นผู้เจ้าอุบัติขึ้นอย่างว่าเป็นผู้เจ้าผู้การปฏิบัติแต่ก่อนนั้นเป็นเจ้าว่าชายเรียนรู้มาสิบเจศาตร์ให้ใครเฉ่งกว่าศิทธิธาได้จะไหมสองพันหกร้ปีนูน่น จบทิพย์เกตอมายิงหนูฝันดาบนอกจากนั้นก็ไปสตดสาขุนทั่วไปแต่ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้เห็นความเจ็บความเจ็บคงตายหาทางออกไปได้ใครเจ็บก็เห็นแต่ร้องไห้ใครตายก็เห็นแต่ร้องไห้ ผู้ยังไม่ตายก็ลองให้อะไรอาวอนถามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้าย่ยตอบไม่ได้จะทำยังไง ม, มีความเจ็ต้องยอมรับความเจอบมีความเจ็บก็ต้องยอมรับความเจ็มมจ บ, ม, บ, ม, จบ ม, มีความตายต้องยอมรับความตายต้องคอยทุกข์คอยร้องไห้ไม่มีทางอื่นหรือที่ต้องแก้เรื่องนี้ตอบไม่ได้เลย <c oughs> ดิท่าก็ไม่น่าใจที่จะช่วยคนในโลกหาท้องยังไงหาความตอบยางไงบางท่านที่เรียนมาก็ไม่รู้ก็เลยมองตรงกันข้ามาถ้ามีความแจ็ต้องมีความไม่แจ็บ้ามีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บ ถ้ามีความตายก็ต้องมีความไม่ตายเน้นอนมีกลางวันก็มีกลางคืนมีหนักก็มีเบาในโลกนี้มีของมีคู่คือโดยที่จะดีแบบนี้เป็นเบื้องต้นอร้นก็มีคู่น่าจะมีทางที่จะแค่ได้ก็รับผิดชอบคนในโลกจะช่วยคนในโลก จึงออกสืบเสาเรื่องนี้การออกสืกาเรื่องนี้ก็ไม่ไม่เหมาะใจเพศอื่นจึงสแสดงตนเป็นนาคาลิกะบุคคลเป็นนักบวชตละออกก็จะเป็นนักบวชต้องออกจากบ้านจากเรือนไม่เกี่ยวข้องโดยบ้านโดยเรือนแล้วดังที่เราชอบเทพพีประชด ศรัทธาอัคละ ส, สมานาคาลยังปะปาะะชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยบ้านด้วยเรือนแลว้วตัดจำแหงภควาติพมมาจาริยังฉลามาปะปรเพื่ออยู่เช่งพรหมจรย์ศิขาลธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตนาศึกษาพิชุดเดือนกับอาจารย์ ซึ่งสมัย น, นั้นมีครูทั้งหก ด, ดังงากาที่เกิดกมพลคุูกรเจาะ ก, กระจ า, นาสนใสเวลาตะ บ, บุตรอะไรจำไม่ได้หกครูสมัยนั้นดังอยู่มีลูกศิษย์ทั่วโลกทั่วประเทศ เจอใครก็บอกว่าครูเราเนี่ทุกทิพเป็นครูคน น, คคคคกก น, คนั้นเป็นครูของเราอาทิตย์ก็กรพนเป็นครูของเรากูโคตรก็จารยานะเป็นครูของเราสงสัยป็นเลิศบทเป็นครูของเราอะไรแสดงออกอ้างอาทิตอ้างนิ่กายอ้างวันน่ะเราเป็นธรรม จะมีทุกวันนี้ในประเทศอินเดียวรยไปมหาวิาลัยบาณานีถ้าพวกพร้อมจะเข้าห้องน้ำก็พวกสูตรเห็นก็ต้องนั่งดูก่อนเวลาพร้อมออกมาพวกสูตรต้องเข้าไปล้างห้องน้ำให้ขอยอมรับจังนั้น กล้าพรำใช่ห้องน้าแล้วออกมาเห็นสูตรต้งที่ให้ชูตรเป็นลางให้ด้วยสูตรก็เข้าไปลางห้องน้ําให้ยังมีอยู่ทุกวันนี้เห็นกับตาแล้วก็ขนาดนั้นจิตตตะแวกออกมาทําำลายหมดไม่มีชาติชั้นวันนั้นเลยเป็นคนเหมือนกันนี่เคยเจ็บเจ็บตายเหมือนกันมาเอาเรื่องนี้ก่อน เราทำไงจึงศึกษาเรื่องนี้ไนดะ้ก็ไปศึกษากับทุกคนเราบวาเราเราเราบทชาาาาาสอนจนจบหัวอะไรก็สอนจบยังตอบเรื่องนี้ไม่ได้ได้มาศึกษาด้วยตนเองหกปีเกือบตาย วิธีที่จะเจอแล้วนี้ก็มาเห็นจิตขาดผมโซตลมานตัวเองไม่กินข้าวไม่กินน้ำจนเจะช่วยตัวเองไม่ได้ปัญจวิชีต้องเอาลงอาบน้ำต้องเอาขึ้นน้ำขดะนัาก็ยังปวดปัญจวิคีบางมีจิเละตันหา คิดถึงทิ่ยาลาหูนคิดถึงอะไรคนมีลูกก็อาจจะคิดถึงลูกคนมีเมียก็อาจจะคิดถึงเมียคนเคยอยู่ประชอดสนรูดูก็อาจาออาาอาจะมีความสุขมีสาวสนมกำลังในไม่ไปบวชเกียปปรติปนมาอยู่อย่างนี้ก็คิด ไ, ไหลไหลไปั่ววันก็นเสเห็นว่ามันเกิดจากคิดนี่แหละว่าเอางานโลกจบซะก่อนเลย มาตั้งรูปแบบใหม่เรกยษารืงจิตการเรียษาเรื่องจิต จ, จะทำไงก็ตั้งคู่เฉินเข้ารู้จึกตัวเยื่อเฉินด อ, อกรู้จึกตัวเอาสตรีเป็นไปในกายเป็นประจอมเหมือนเราเลยว่ า, าได้ตรวจไปสอนก็นอยู่ทุกวันนี้คู่เฉินเข้ารู้จึกตัวเยื่อเฉินด อ, อกรู้จึกตัว เวลาใดมันคิดถึงพิมบาปล่อยปัจจับปัณกลับมาลู่จุกตัวเวลาใดคิดถึงหลาอหุ่นกลับมาลู่จุกตัวเวลาไดคิดถึงประษาถามลู่กลับมาลู่จุกตัวเวลาใดมันคิดเสาวฉันถึงเสาวฉนุมกลับมารู้จุกตัวไม่ได้ใช่ความคิดเป็นความคิดเปลี่ยนมาลู่จุกตัวกลับมาหาที่ตั้ง การทำอย่างรี้ว่าวิชากรรมาฐานเพราะเราก็ออนี่มาสอนกันอยู่ต้นต้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเพราทำเรื่องนี้รู้จักตัวก็เขียนดอกรู้จักตัวนี่กับมานี่ปฏิบัติคื้น ก, กลับมาตั้งบ้ายกลับมาตั้งวายจะต้องเจอกับความคิดบ้างอะไรจะมันเกิดขึ้นมาความรู้จักตัวเป็นเกณฑ์ีว่า อะไรก็รู้ชักตัวกับการเคลื่อนไหวกับนิมิตที่อาศัยนี้ของกายเป็นนิมิตอดงทีก็หลอมหายใจเป็นนิมิตบางทีก็อ า, อาการต่างๆเป็นนิมิต ด, ดังพระตรฎกเลิมใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอนธรรมเป็นพระสูตรแท้เขียนว่าอย่างนั้นผู้เขียนเขามีสติไปในกายเป็นประจำ สมประชาบัพภาคอาการได้เกิดขึ้นรู้จักรูก้เพราะมันมีกายมีใจทุกคนมีกายมีใจถ้ามีสติก็เป็นอันเดียวกันเลยไม่ใช่เพศไม่ใช่ละที่ไม่ใช่นืกายไม่ใช่ชาติศาสนาเพศใดวัยใดจะเป็นคนนักบวดจะเป็นฆราวาทคนหนุ่มคนเก๋อเหมือนกันหมด มีความหลงเหมอนนมีความทุกข์หมืนก่อนมีความโกรธเหมือนก่นนับสอนตัวเองอ่างนี้ผูุ้่มฉันเข้าเหยื่อฉันดอกมีสติไปในกาวจนประเจมอย่งวกเราก็ทำอย่างนี้พัฒนามาเรย่อยอยวิธีนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเกือบจะร้อยปีแล้ว พัฒนาไปเลื่อยจนมาเป็นรูปแบบสร้างสมบัตบาปพระทุกทุกวินาที16 16เคลื่อนเคลนไหว1รู่2รู่14การื่อนเคลื่อนไหว1รู่2รู่3รู่4รู่5รู่6รู่7รู่8รู่9รู่ สิบลูสิบเอดลูสิบสองลูสิบสาลูสิบสี่ลูเมาลงไปทุกวินาทีลูทุกวินาทีลูทุกวินา ท, ท, นาทีที่มีการเคลื่อนไหวหัดจากนี้วงลูจุกตัวทั้งหัดตัวเองไม่มีใครบอกกันได้ต้องส้อมผัดเอากายไปส้มผัดเอาใจไปส้มผัดลูทุกวินาที นะทีหนึ่งหกสวินาทีเจ้วโมงหนึ่งส6งพวินาทีชจ่าหมงหนอาจจะได้ 2,6 งพร้อยลู่ถ้าลู่ทุกทุกหรือหมดหรือว่าสองปัญญะบบพระดมปัตติไปดกนะั่นลู่จากตัวอยู่สิบหบสวินาทีนี่ให้ลู่อยู่นี่ลู่อยู่นี่ถ้ามันเคยเชนได้เปลี่ยนอะไรเป็นลู่เปลี่ยนอะไรเป็นลู่ เ, ลเยอะแยะไปหมดเลย เพราะมันมีงานให้ทาแล้วบแบเนี้ควมามรู้สึกตัวจะเป็นวิทยาศาสตร์ชี้ว่าอะไรไม่ใช่ความรู้จะเห็นเงินถูกได้ถูกต้องหมดปฏิบัติได้ให้ผลได้มันหลงเปลี่ยนไม่หลงได้มันทุกข์เปลี่ยนไม่ไมทุกข์กได้เปลี่ยนเป็นความรู้ได้อย่างนี้พระเจ้ายังบอกว่าปฏิบัติทำเปลี่ยนได้สบขาโตพระกัวตาะทำโม ทำมันเราตัดไว้ดีแล้วหไว้ดีแล้วสอนทิชเชอโกผู้ศึกษาจะต้องปฏิวัติด้วยตนเองมาสัมผัส ด, ดูเคลื่อนไหวเองลูกเองไม่ใช่ให้กันได้ไม่ใช่ช่องจอมไม่จะได้เกิดการเปลี่ยนล่ายเป็นดีทันทีเมื่อมันถูกเปลี่ยนมาหลายข้างหลายหนจตใมากขึ้นเกิดมหาจิตมากขึ้นมากขึ้น เมื่อมีสติอะไรที่มันตรงกันข้ามเช่นความหลงตรงกันข้ามก็น้อยลงความหลงน้อยลงความรู้เพิ่มขึ้นมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติันก็เป็นผลของธรรมชาติเรยกว่าธรรมะมันก็เปลี่ยนรอยเป็นดีเกิดขึ้นที่เราที่ใจได้บ่อย เปลี่ยนหลงเป็นรูปเปลี่ยนทุกเป็นรูปเปลี่ยนโกรธเป็นรูปเปลี่ยนรอ ย, ยเป็นรูปหมดไม่ให้หลงเป็นหลงไม่ทุกเป็นทุกไม่ให้โกรธเป็นโรกรธเหมือนเมื่อก่อนโดยเปลี่ยนลอยเป็นดีเปลี่ยนลอยเป็นดีจิตใจมันก็ไหวเฉยขึ้นมดจูดจากเครื่องสมองขึ้นโดยหลงก็ไม่หลงก็เปลี่ยนอย่างนี้รูปแจ้งผมหลงไม่ถูกต้องผมไม่หลงถูกต้องจริงๆติงต่จิตใจ ได้จริงตามความถูกต้องว่ <c oughs> าตัจสิงใจตามความถูกต้องได้หลังจ <c oughs> าอเอาภาพเสียงนะไปเล็งจินโหลดขอไทยรอยตายหมดเลยไม่มีไม่มีใจรอยไม่มีเสียงเมื่อเหมือมนถูกต้องอย่างนี้ เกิดแก้งเดีย ว, วิปัสสนาที่คิดที่ถูกทีตัวเองได้จิตใจก็บรทีุสุดขึ้นมาเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นญาณเป็นชานรูปเป็นปาหลุดพ้นจากอะไรต่างๆแล้วก็ไปโดนไปเลยเมื่อเห็นความแก่ก็ไม่ความไม่แก่เอ้าลงไปเลยบบนี้มันเชื่อมแข็ง เมืนเราเรียนรู่ทะลุทะลวงไปเลยชํานาญเหมือนกับปัมรัชปามมัธยมชั้นอุดมเหมือนกันความชํานาญแต่ละการศึกษาก็เหมือนกันคนเราก็เหมือนกันถ้ามาชํานาญในการเจริญจิตวิมิต้องตัวมันก็เปิดเป็นความชำนาญเป็นปริญญาได้ยาตัดปัญญาโลปลู่ง่าย ติขณะปริญญาแจกแจงได้รวมหลงไม่ถูกต้องเขาไม่หลงถูกต้องตามหลักอิสัตติสเห็นทิศเห็นทางไปเลยหาณาปริญญาทำให้สิ่งที่มันดีหมดไปง่ายง่ายมันพัสดุที่กล่าวว่าเหมือนช่างกินอ้อยพร้อมที่มีสติมีเพียรเพ่งอยู่เจตนาเกิดขึ้นรู้สึกตัวง่ายเหมือนจรองเหมือนช่างกินอ้อย เหมือนหลายต่างๆที่เปรียบเทียบเช่นนั้นผู้มีความชํานาญเกิดขึ้นก็ต้องมีศาสตร์มีศีลเป็นธรรมะธรรมกะผลเกิดขึ้นแล้วการกระทองเมื่อมีความแฉก็มีความไม่แฉกไม่มีความเก็บก็มีความไม่เก็บเมื่อมีความตายก็มีความไม่ตายเกิดขึ้นไม่มีใครไม่ได้เก็บผู้ความเก็บไม่ได้ตายผความตายมันไปโน่น ปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มต้นจากความรู้สึกตัวตามกลางคือความรู้สึกตัวที่สุดก็คือความรู้สึกตัวมีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพระขีน่นรสกผู้มีสติเป็นวิ น, นัยพระขีนรสกคือพระหรหัสมีสติเป็นวิ น, นัยหน้าโลกอะไรเกิดขึ้นที่กลางใจลู่ลู่ลู่หัวถูกก่ายห่วถูก สรงเป็นความรู้นี่ก่อนจิตก็บริสุทธิ์ปลอดภัยเป็นธรรม <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนนี่ <c oughs> กายไม่เป็นธรรมเบีใจก็ไม่เป็นธรรมต่อกันเบียดกายเบียดียนใจใจเบียดแบนกา ย, กายแต่ก่อนนี่เป็นอย่างนั้นวันนี้ไม่มีแล้วว่าเราเจริญสติจริงๆแนละ้ทุกเอาเรื่องใจเป็นทุกข์กายก็เดือดร้อน เวลานอนหาเรื่องมาคิดคิดแล้วก็นอนไม่หลับกลายเป็นทุกข์เพราะใจบังคับไม่กายไม่ได้หลับได้นอนไม่ได้พักผ่อนหอยหิวข้าวกเป็นทุกข์ไม่เป็นทรรต่อก่อนสองท่าดีเป็นกายเป็นใจมีใจก็พึ่งไม่ได้ถ้าไม่หัดมันอ่ะมันโดดไร้บางคนก็ไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร ทำตา ม, ามอารมณ์ที่เหมือนจรมาคุ้มไรยคุ้มดีแล้วเราเปิกแล้วมันก็มั่นคงมันคงพึ่งได้พึ่งความดีรีพึ่งความดี พ, มดพึ่งตนได้นี่คือชีวิตของเราที่จริงๆเป็นอย่างนี้วันที่ตื่นแต่เด็กศึกแต่หนม เมื่อมีความรู้เรื่องนี้แล้วจะใช้ชีวิตไปนานๆได้ความสะดวกได้ขนส่งได้ช่วยมรรลุสุดโลกนี้เหมือนพระพุทธเจา้าอุบัติขึ้นเพียงพระชีวิตเดียวโดยส่งสอนโด้บอกคนเป็นแบบอย่างจนเกิดพุทธบริจัตมีภิกษุสมเนอุบาชกบาจกานี่คำข้อสอน จนพวกเราเดินมาปฏิบัติตามมี้สติแต่ก่อนนี้ไม่มีเลยอยู่นี่อาศัยอะไรสังด่างท่องผ้ากลัวไปหมดนี่เราก็มีธรรมนิสาศาสนาเป็นศาสนาศาสนาคือคํำสอนสอนคนคนเราก็มีกายมีายเหมือนกันหมดเราจะเจ็บตายเหมือนกันหมดมีจดเด็ดตัหาความโกรธโลภหลงเหมือนกันหมด <c oughs> <c oughs> ปฏิบัติธรรมก็คือมาแก้ปัญหาที่มาเกิดกับกายกับใจนี้ให้เหมือนจบซะความหลงเป็นขั้งสุดท้ายความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายถ้าเราศึกษาเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ศึกษาก็ยังโกรธยังทุกข์ยังหลงอยู่ทุกข์ผกพวงทุกข์หลงผูกพวมหลงโกรธผูกพวงโกรธ วันล่าสมัยแล้วพอพัฒนากันแล้วคนทุกวันนี้ธรรมะเจริญมนการศึกษากันมากแล้วคนเรบาบทมอนุปปวชิการไปศึกษาทั้งนี้กันมากแล้วในประเทศต่างประเทศหอนงต่อเคยไปสอนมาแล้วสิบเจ็ดประเทศแล้วในสอนกรรมฐานนี่ เรื่เรื่องชีวิตโดทุกชีวิตไม่ใช่ละทิ้งก่อชาติภาษาเป็นชีวิตตันเดียวกันแท้ๆมีสติก็เป็นคนคนเดียวกันถ้าไม่มีสติก็หลงเป็นคนแล้วขนไ ป, ปด้านคนในโลกนี้ถ้ามีสติจะเป็นคนคนเดียวกันทันทีทุกคนก็รักความชั่วทำความดีทําให้จิตบริสุทธิ์เหมือนกันหมดก็พึ่งบ๋อาศัยกันได้ ก็ไม่เดือดร้อนตอนเราไม่เป็นคนดียังขาแค้นอยู่ในโลกนี้ล้วก็เดือดร้อนเกอนทุกวันนี้อากาศล้อนบางคนผูกคอตายผู้คนล้อนตอนนักศึกพิมีดูเพราะอะไรเพราะคนทำลายโลกคนเห็นเจือตัวมากคนเฉืยอชะละไม่น้อย ตามต่ำความคิดความอยากลูโปวดหลงไม่เข้าจปลอดพลอยชีวิตมีแต่ภัยเราเป็นคนดีก็ล้ำบากถ้าเราไม่ทำเล่นเราไม่ตัดต้นไม้ชักต้นเราก็เดือดร้อนแต่คนเดินเขาตัดต้นไม้ แต่เราไม่ได้ตัดไมได่ทำลายเราก็เดือดร้อนเหมือนกัน้วจึงมาช่วยกันเป็นคนดีนับหนึ่งจากตัวเรานี้ยิ่งเราก็เป็นชาวสังคมไม่คอบกลัวพ่อแม่พี่น้องเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์เกิดเจ็บเจ็บตายน <c oughs> ีนพวก เจหน้าที่จนาชุกนี่เป็นงานบุญดูแลคนเก็บคนป่วยหลวงตาถือว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ทำงานเป็นบุญถ้าไม่มีคนพวกนี้เราตายไปแล้วพ่อแม่ส่งลูกหญิงลูกชายไปเรียนหนังสือเรียนเก่งเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรียนการแพทย์เขาคของรู้มาช่วยเรา ก็ไม่มีคนพวกนี้เราตายไปแล้วเป็นงานดีงานชอบมาช่วยกันนี่เป็นหน้าที่จริงๆเป็นงานมนุษย์แท้ๆเนี่งานช่วยกันอย่างนี้ไม่ใช่งานทาานานําลายขัดแย้งหมอขัดแย้งเจ้าหนี้เสือศพก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นเป็นงานบุญแล้วเอาความรู้นี่ก็ไปอีกไปดูคนป่วยคนเจ็บ เห็นช่งเห็นทางพราะเป็นปีเจนที่วัดได้ตัวเองเห็นดูคนก็จะตายไปบอกเขาเป็นให้เขาได้ยืนคนป่วยอาชัยนายแพทย์นายแพทยพยาบาลเห็นพยาบาลเห็นนายแพทย์เห็ น, นได้ยินเสียงนายแพทย์พูดได้ยินเสียงพยาบาลพูดมันมีกําลังใจเราเคยป่วยห้องไส้ชีดอย เห็นพยาบาลผู้เห็ไพยาบาลแสดงออกเราช่วยตัเองไม่ได้ <c oughs> ที่ก็มีอาจารย์ไพยาบาล <c oughs> อยู่นี่ก็มีตอนที่ป่วยอาจารย์ไพยบาลเข า, า, า, าบอกว่าหลองพ่หนูให้ลูกขิตหลวงพ่อเป็นลูกขิดพยาบาล ที่ดีๆมาช่วยดูแลหลวงพ่อลูกศิษย์คนนี้เคยดูแลสมเดชช็จจักรราชเป็นผู้ชายมาดูแลหลวงพ่อไอยวานที่อยู่นี่กเกียนาคลาออกแล้วมาปฏิบัติธรรมที่นี่อาจะนั่งอย่างนี้เราหน้หนอดตาก็เบ า, บาเราไปวานเลียก ลุตงตาลุตงตาลุตงตาไม่หนักไม่บวมมาหลายวันแล้วอย่า ก, กั้นไว้นะมันทรมานตายคือเราตายไปแล้วไม่รู้รอะไรแล้วหมายเจนไม่ได้แต่ได้ย็นเสียงไปบานผู้หญิงผู้เจ้าเยอะลุงตาลุตงตาลุตงตาอย่าไปกั้นหนักกั้นเมามันทรมานตายเราไม่รู้ ก็พยอยามดูเพราะว่ามันทรมานตายมันมีตายหรือเนี่ยไม่มีตัวไม่ตนหลงตาที่ไหนหลงตาไม่มีแล้วอ๋อทิ้งไปแล้วมันมีตายหรือก็หมาช่วยคิดขึ้นมาตั้งสติขึ้นมาเพราะว่ามันทรมานตายมันมีตายหรือเนี่ยตายมันเป็นอะไรมันเป็นธาตุดินธาตุ น้ำธาตุลมธาตุไฟมิแต่ธาตุนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราแล้วนะแต่เป็นธาตุดินผมขนเล็บฝันหนังเนื้อเอ็กระดูกเยือ่อในกระดูกม้ามหัวใจตับไตปอดใช้ใหญ่ใช้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่เราสาธยายพระชนอ์เออมันเม็นธาตุดินเถอะอ้าดินต้องเป็นดินน้ำต้องเป็นน้ำไฟต้องเป็นไฟลมต้องเป็นลมไม่พวกเธอช่วยกันอย่าให้ร้นเกิน คิดเล่นๆปล่อยสนุกปล่อยป่อยคิดได้อย่างนี้ก็สลบไปอีกให้มีแรงคิดตายไปอีกค่อยไปบางก็เรียกอยู่เช่นนั้นหลงต่อลงต่อเออพอหยิบมาเนี่ยตอนไม่มีไปบางเรียกอย่างนี้ไปเจ็ดเลยแล้วไม่มีแล้วแล้วช่ว่าเบาออกปล่อยคิดได้ก็เบาออกเบาหมดรูนถังเปียกที่นอนหมด ไปบานเพิ่มขึ้นหลวงพ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลองตาไม่เป็นไรไม่เป็นไปล่อยออกปล่อยออกทั้งหมดเลยแล้วก็วเปลี่ยนเถอะบ้าไปบานผู้ื่อใครโอ้ว่าไม่ให้ส่งลูกชายลูกสาวไปเรียนเทศเรียนหมอเข้ามาช่วยหลอพวกท่านตั้งหลายนี่เป็นงานบุญที่จุดเลยเห็นพวกท่านเหมือนเทพที่ดาเทพประบุลเลยเพราะเคยอยู่กับพวกท่านเกือบสปีตายไปแล้ว วัาหน้ามาเอาวิชานี่เขาไปจะได้ช่วยกันเพราะว่าเคยมาช่วยคนที่นี่ห้วงตาเคยช่วยคนตัวนี้ไปเห็นคนป่วยโลกวันนโลกบอดบมดแล้วมันก็ไม่มีทางกินอดได้ชวนมาอยู่นี่มาตายกับหลวงพ่อนี่ยดีจะพยายามดูเลยตอนเขาจะตายเขาก็หายใจไม่ได้ลงตาทรมานทรมาน ทรมนามนทรมานหายใจไม่ได้สงบเฉยแบบน้วก็ตะโกนบอกอย่าไปเอาลมหายใจมาทดลองกับชีวิตอยู่เฉยเฉยวางลมหายใจไม่ใช่เร า, าชีวิตเราไม่เป็นอะไรอยู่เฉยเฉยวางสะวางวเรียกอยู่ข้างเตียงต้องตะโกนบอกอันก็สงบลงไม่สงบสงาม รักว น, นิ่งตาก็ไม่ทรมานขอก็อดาษกับน้องสาวเขียนหนังสือหัวอ่านได้อ่ารู้จึกสบายตออรองตาบอกรู้สึกสบายเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอยู่ตรงนั้นอย่าไปเอาลมหายใจมาต่อรองกับชีวิตชีวิตเราไม่ใช่มหายใจ เราไม่ได้ตายเพผู้ความตายแล้วไม่เจ็บผัมเจ็บอยู่เฉยๆวางลงวางลงหลับซ้าหลับซ้าแล้วก็นอนหลับตายไปเลยนี่รู้สึบมันก็ก็จะได้มีผัวสงบไม่ได้เป็นทุกข์ผัวาตายหัวเน่ต้องเอาฉช้พวกเราไอ้เราเคยเป็นอย่างนี้ก็ไปเจ็นที่ว่าจะได้เพื่อนคมป่วยความเจ็บนะ หมดเสียงแท่แนี่ะสมควรเจเวลากับพร้อมกัน